กัญญาโยนพุทธศักราช 2,559 เมื่อวานหลวงพ่อได้ไปฉันที่ที่วาการอำเภออำเภอนายูงทางในอำเภอกับคณะหัวหน้าส่วนราชการทําบุญประจําปีําบุญอำเภอครบรอบวันตั้งที่วาการอำเภอกระมังหลวงพ่อก็ไม่ได้ถามในในรายละเอียดแต่หัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านกำนัน ทำบุญเมื่อวานนี่สวดมนต์ฉันเช้าพระก้าโรูปพอฉันเสร็จลงพ่อก็ออกไปพาคณะรัดธ า, าิโยมพระบางส่วนไปกับครวะหลวงปู่ทุยวัดดงศีชมพูอำเภอปากคาดจังหวัด ขึ้นต่อบึงการนะ ข, นขึ้นต่อหนองคายหลวงพ่อก็ไม่มั่นใจไม่ได้ถามท่านดูขึ้นบึงการนะจังหวัดบึงการพอผมก็ไปไปแล้วเรไปเอียงเอีงไปทางบึงการนะั่นนะอำเภอปากคาดติดฝั่งโขงกลับมาถึงวัดกะค่ําพอดีเพราะมันฝนตกเมื่อวานฝนตกเกือบตลอดทางแต่น้ําโขงก็ปิ่มปิมเกือบจะเต็มฝั่งไปเมื่อวานนะ แต่ยังไม่ล้นนะยังไม่ล้นเปีว่าขึ้นมาสูงละเกือบจะเต็มฝั่งเมื่อวานสุขภาพของหลวงปู่ทยีท่านก็สบายดีอยู่อายุท่าน8ปดบสาปีมั้งอายุของหลวงปู่ทยีนะแกกว่าหลวงพ่อแต่ท่านเป็นคนร่างเล็กก็รู้สึกว่าจะแข็งแรงเป็นนานอยู่นั่นะครูบาอาจารย์ เมื่อวานก็ไปกราบปีหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อศักดินาแค่ก็มีครูบาอาจารย์ไปหลายๆองค์รวมๆกันคารวะประจําปีเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งไปกราบคารวะทาไม่ไปคารวะกัใครก็ไปกราบไปไหว้ธรรมดาอันนั้นก็มีแต่เนี้ยไปกราบคารวะมุดน้ํำดาหัว ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแต่ก็ยังเหลืออยู่สองสามองค์มั้งหลวงพ่ อ, อยังไม่ได้ไปแต่ดได้พึ่งไปครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าหลวงพ่อในวัดหลวงพ่อหมือนกั น, นวันนี้ก็ทราบข่าวว่าทางจังหวัดอุดรจะเข้ามาแต่หลวงพ่อกับปีพาระแต่ละวันบางทีก็ ปีตัวไปบ้างบางทีก็มาไม่พบหลวงพ่อบปังจะจะทํำยังไงได้ละ่ะต่างคนก็ต่างมีภาระทุระมันบางทีมันก็กระทันกระทันหันมันตั้งตัวไม่ติดบางทีนี่มโนประชมุมการประชุมก็เหมือนกันก็เป็นการประชมุมบางทีก็มีการประชมุมรีบเร่งรีบด่วนมีจําเป็น หนีหนีไม่ออกอันนี้เราก็ต้องเดิไปตามที่มีความจําเป็นในเรื่องนั้นๆเพราะนั้นบางคนเข้ามาไม่พบหลวงพ่อทั้งที่นัดแล้วไม่อยู่ใช่ก็นัดแล้วแต่ละแต่ว่ามันมีเรื่องกระทันหันจําเป็นเหนือกว่ามันก็ต้องได้ไปตามเรื่องนั้นๆ บางทีบางคนก็บางทีหวังนันะเอ๊ะวันปีใหม่แท้ๆนะี่ยทำไหมหลวงพ่ออินไม่อยู่วัดลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็เหมือนกับหลวงพ่อนะไม่รู้จักความรักจันทรท่านนะไม่รู้จักวันไหนเป็นวันไหนแต่หลวงพ่อเนี่ยรู้ยิ่งกว่ารู้อีกแต่จะทำยังไงได้บางเรื่องมันก็ต้องได้ไป ตามเหตุผลที่เหนือกว่านะเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันหรืว่าดีกัน เ, เป็นอยู่ทุกอย่าง <encima> มันต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าดันทุลังมีอะไรก็อยากจะทําอะไร ท, ท, ท, ท, ท, ทําตามอัธยาใจทําตามอังเภอใจถึงพูดยังไงใครพูดยังไงก็ไม่ฟังอันนั้นไปว่าต้องไปต้อ ง, องไปอยู่คนเดียวลักษณะอย่างนั้น ถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนผิดหมู่ผิดเพื่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ขวางอยู่กับวัดวาศาสานาก็ขวางวัดอยู่กับประเทศก็ขวางประเทศอยู่ในวงการไหนขวางวงการนั้นๆั้นเพราะอะไรเพราะไม่ยอมฟังคำใครดันทุลังแต่จะปล่อยให้ไปอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะต้องอาศัยหมู่แต่พอมาอาศัยหมู่ ก็ไม่ฟังคำหมูพกเพื่อนอธิบายให้ฟังอย่างไรก็ดันทหลังพระตัวเองฉเฉลียวฉลาดฉลาดปาดเปืืองกว่าใครๆคนอื่นโง่หมด <c oughs> นี่แหละพวกที่โง่หมมันอยู่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หลวงพ่อยังมันนึกย้อนหลังสมัยหนึ่งเขาสง่งนักเรียนเหรียญทองเขาคัดหัวะกะทิมา หลวงพ่อก็กระซิบก็กทราบรู้ถามว่าเป็นไงปะนักเรียนหัวกะทิเนี่ยโดยมากมันคนเก่งตัวเก่งไปอยู่ด้วยกันมันจะไม่ลงกันนะปะโอ้ยใจใจหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เลยบอกวันนี้นะลูกหลานออโดยมากก็มีพวกเรามีแต่เป็นปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยแล้วก็เป็นปริญญาโทเป็นบางคนมีแต่เหรียญทองเกือบทั้งนั้นที่ทราบแต่พอมา พออยู่ด้วยกันเลยโดยมากพวกเรามีแต่ชี้นิ้วไปทางอื่นโอ้ยพวกนั้นงโง่ทั้งหมดเราเป็นคนเหนือกว่าใครรู้หมดทุกอย่างแต่ใ น, นคนนั้นก็ชี้ออกไปข้างนอกอีกพวกนั้นงโง่หมดเราฉลาดคนเดียวรู้เหนือกว่าใครพอต่างคนก็ต่างชี้ออกไปข้างนอกเพราะที่ว่าตัวเองฉลาด ผลในสุดก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างฉลาดไม่ยอมเสียเปรียบซึ่งกันและกันไม่ยอมเป็นลูกน้องกันผลในสุดก็เลยโง่ทั้งทีมหลวงพ่อว่านเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักฟังคํากันแต่ตามไม่จริงมันต้องฟังเหตุฟังผลมันจนจบมันต้องฟังผู้น้อยผู้ใหญ่มันต้องถึงจะฉลาดขนาดไหนก็เถอะมันก็ต้องมีผู้น้อยมันต้องมีผู้ใหญ่มันต้องมีผู้สูงกว่ามีอายุวัยวุคุณวุฒ เป็นครูบาอาจารย์มันต้องมีผู้เข้ามา ก, ก่อนผู้มีความรู้เราต้องยอมรับกันถึงจะไม่ยอมรับแบบชิโลร่าบแบบกราบแบบไหว้ก็เถอะแต่ในใจเราก็ต้องยอมฟังการดูด้วยกันพอฟังจแล้วเนี้ย ถ้าใครแสดงเหตุผลถ้าเหตุผลเขาเหนือกว่าเราก็ต้องยอมรับเขาอีกถ้าเหตุผลเข า, เขาดันทวลังไปแบบคดคดโกงกงข้างข้างคู่คู่เผอเผยยังโกหกตอแหลหน้าตอแหลหลังอีกหาความสัตย์ความจริงไม่ได้ถ้าเราตามนั้นไปอีกตายเราก็จเข้าป่าเข้าลกไปอีกแล้วตไหนสะิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องดูอีกเหมือนกัน พเพราะโลกนี่นมันต้องมีหลักเหตุผลมีเหตุแล้วก็มีผลเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอ้องใช้สติใช้ปัญญ า, าก่อนกรองที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นอย่างถึงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกอขนาดภาษาลิบุตรยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าภาสาริบุตรเชื่อไหมที่เราตะทากดตรัสไปนีู่ดพูดไปนี่ ยังก่อนพระเจ้าข่าพราะยังไม่ได้นำไปปฏิบัตินะนี่แหละอันนี้ให้ฟังเอาไว้พวกเราฟังอันไหนมาก็ตามเรามีหูอยู่สองข้างต้องแจกแยะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรถูกต้องไม่ผูกถูกต้องมันมีเหตุผลอยู่ในนั้นทั้งหมดอันนี้เป็นยังไงเราอยู่ในโลกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นโลกเรื่องระดับไหน ไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นผู้น้อยกับขว áng หมู่ขวางเพื่อนขวางครูบาอาจารย์แต่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นยังไงถ้าทำตนอย่างเงางนี้ยอย่างที่ตัวเองทำนะมันจะไปได้ัหมในการเป็นอยู่ในการบริหารจัดการเนียอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือศิลและวิันกดและเปียบการอยู่ด้วยกัน ก็ให้พวกเราทุกๆท่านนะ้านเนรลูกหลานทุกองนะไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้จักว่าเราเป็นลูกอยู่กับครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือรู้จักว่าเราเป็นลูกศิษย์อยามาอยู่กับหลวงพ่ออย่างนี้ก็เหมือนกันเราเข้ามาเพื่ออะไรมาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติเพราะเห็นว่าหลวงพ่อบวชก่อน แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราก็ฟังแต่บางท่านบางคนอาจจะเสนอกว่าหลวงพ่อก็ได้แต่ให้อยู่ในใจไว้ก่อนอย่าไปแสดงออกมันอยู่ในใจ เ, เหมือนกับพระในครั้งพุทธกาลบางท่านเป็ น, ปนพระเถระมหาเถระผู้ใหญ่แต่สมณีน้อยที่เป็นพระหันกันเนื้อเหนื้อกว่า เนื้อกวาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้แสดงออกอย่างสมณีน้อยเดินทางมาด้วยกันพอมาเดินทางแล้วก็กลางคืนมันค่าไม่มีไฟฉายไม่มีไฟเทียนใช่ไหมล่ะทีนี้ก็พระเทระก็ น, นอนพักจามณีก็ น, นอนอยู่ข้างๆพอมัน หาที่นอนไม่ได้พอตื่นเช้ามามันมืดพระอาจารย์กดจับพัดมาเลยไงไอพัดคือพัดลมพัดวีของเรานะี่ะไปก็ไปปลุกเน้นเหมือนเน้นเขาก็นั่งอยู่ไปลุกลกเน้นลุกๆไม้ไอพัดนะ่ไปตั้มข้าตาแตกไนะอพอตาแตกทีนะี้เน้นก็ไม่ว่าวอะไรเพราะเน้นเป็นพระหารแลยไง แล้วท่านก็เจ็บว่ามันเจ็บอยู่มใช่ไหมทีนี้ก็พอสว่างขึ้นมาก็ลุกไปธรรมจาริยาวัดเนะี่ะยังไปธรรมจาริยาวัดอยู่นะคือตื่นขึ้นมาก็ต้องไปเตรียมน้ํามาสําหรับถวายพระอาจารย์ใช่ไหมเป็นสมณีนนะพอถวายน้ำเอาแก้วถวายถวายามือเดียวบัตเนนะี่ยมือนึงมันปิดตายอ่า <laughs> พระอาจารย์ก็ขู่แท้เลย เพราะว่าตามตามปกติมันก็ต้องสัมมาคารวะเนะเวลาจะยื่นของให้ถวายกูบาอาจารย์ก็ต้องสองมือใช่ไหมนะ่ะอันนี้สมรมเนจรยืนย่นมือเดียววะนะันนั้นปิดตาข้างหนึ่งมันเจ็บนะตาแตกอาจารย์ก็เลยถามเอา้าสรรมเนจรทําไมมันยื่นมือเดียววะมันทําไมบอกสอนนะ้วจะยื่นของมันต้องสองมือสิโอ้ตาของผมแตกครับเนะฮ้มันทาอะไรเ่ะ ตาของบอดผมแตกครับเออเปไปง่ายเออเพราะอะไรยังแตกหรอมืเช้าเนี่ยอาจารย์ตื่นมา็เอาพัดไปวีนั่นละไปพัดผมให้ผมตื่นๆตื่ น, นลุกลุกลุกฉัน่นลุกนะแต่ผมนั่งอยู่แล้วพัดก็เลยไปเข้าไปในตาของผมตาผมเลยแตกครับโอ้โหตายเลอยอสลดสังเวชใจใหญ่หลวงเลยตัเนี่ยเป็นทุกข์ใหญ่อย่างมาก สมณเณรบอกว่าไม่ไม่เป็นไรครับท่านอาจารย์มันเป็นเรื่องวัตตะนะวันตะวัตตะคือว่าวัตฏะวนคือเป็นเรื่องของโลกเอพราะไม่มีเจตนานเะนี่แหละอันนี้ก็ตนไปถึงกาบพระพุทธเจ้าพระอาจารย์โอ้เป็นทุกข์ใจอย่างขนานหนักเลยทำใม้ตาคนอื่นแตพกพระองค์ก็ได้แสดงทำให้ฟังนี่พระองค์บอกว่าสมณเณรเขาเป็นพระหานแล้ว ความเสียใจและความโกรธไม่มีในพระรหนันนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยหลักเหตุด้วยหลักผลแต่เรื่องพระเทระพระอาจารย์องค์นั้นท่านต่อมาท่านก็ได้สำเร็จเหมือนกันแต่เป็นเรื่องวัตตะก็คงจะเป็นบาปกรรม ในอดีตชาติบ้างสมเนธวัลเรื่องวัตฏะัตะคือความเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีนี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเราได้ฟังว่าเป็นสมมเนธได้สำเร็จเป็นพระหรหันก่อนครูบาอาจารย์ก็มีถ้าพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงไปตรงมาดึงคุณธรรมไม่ได้เลือกชัช้นวรรณะไหนแต่ถึงเอาเอาเถอะ ถึงยังไงที่ท่านได้สําเร็จแล้วนะท่านก็ยังเคารพครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเป็นปุตุชนอยู่เพราะหลไรเพราะถือว่าหลักธรรมพิในไม่ใช่ว่าได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านจะกลางไม่ยอมฟังใครไม่ใช่น ะ, เ, ะเป็นผู้มีธรรมท่าไรยิ่งนิ่มยิ่งอ่อนยิ่งมีสัมมาคารวะรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควร เ, เพราะอะไร เพราะมีคุณมีธรรมในใจถ้ามีกิเลสในใจไม่ว่าล่ะไปที่ไหนเห็นนะคว้างไปหมดเหมือนกับนักเรียนเหรียญทองลักษณะอย่างนั้นชี้นิ้วไปทางอื่นโง่ทั้งหมดฉลาดแต่ตนตัวคนเดียวผลในสุดความโงอ่อยู่ในตัวของเรามากมายมาหาศาลท่เนี่ยมันโง่ทั้งหมดเลยเพราะอะไรคิดว่าตัวเองฉลาดฉลาดเรื่องอะไร ฉลาดเรื่องไหนเรื่องการคำนวณมันก็ได้เพียงแค่คำนวณเท่านั้นฉลาดเพียงแค่หางอื่นเท่านั้นเพียงคำนวณแต่วิชาอย่างอื่นละ่ะวิชธาธ ร, รมอาหารท่ะทำขนมละ่ะวิชาการแพทยล์ล่ะกฎหมายละ่ะเวลาสู้บตบศึกละ่ะวิชาพุทธศาสนาละ่ะตัดกิเลสราคาโทสะโมหะ ตัวเองรู้ไหมไม่รู้นะไม่รู้รู้แต่เพียงแต่คํานวณอย่างเดียวคณิตศาสตร์อย่างเดียวจะว่าตัวเองฉลาดได้ยังไงสูงสิ่งอื่นเราไม่รู้นะเรารู้อย่างเดียวนะความรู้ของตัวเองเพียงแค่หางอืงนะ่นพงพอว่านะเพรา ะ, ะนั้นอย่าถ่านลงตนไปอยู่นสถานที่ใด อ, อ่อนน้อมถม่อมตนไว้ดีกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะสยามภูรู้แจงโลก รู้หมดทุกอย่างจะนํามาสอนบอกกล่าวหรือหรือไม่เท่านั้นเองแต่พระองค์รู้หมดที่นํามาสอนเนี่ก็เพียงเพื่อเป็นเครื่องตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจให้พ้นทุกในวัฏฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดวิชาที่ที่เรามาสอนแต่วิชาที่เรารู้ วิชาในโลกเรารู้อแต่มันไม่เกิดประโยชน์เพอเพยังเกิดโทษอีกต่างหากเราจะไม่นํามาสอนเพราะเป็นวิชาที่ทําให้โลกติดอยู่ในวัฏสงสารไปที่ไหนไม่ได้วิชาที่นํามาสอนเนี่ยทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายอหลุดพน้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้แหละวิชาที่เรานํามาสอน บรรดาสิทธยาุสิทธพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพุทธะนะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะอยู่นักสถานที่ใดให้รู้จักการวางตัวอ่อนน้อมถ่อมตนจามากระวะอยู่กับพ่อก็อให้เคารพพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณอย่างไรอยู่กับครูบาอาจารย์ก็รู้จักครูบาจะอาจารย์มีบุญคุณอย่างไรอยู่กับหมู่กับเพื่อน ถ้ารู้จักการวางตัวแล้วนะ่ะอยู่ด้วยกันมากน้อยมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกถ้าไม่รู้จักประมาณตนนั่นนะ่ะอยู่กับใครไปอยู่กับหมากับขวางหมาอยู่กับผีกับขวางผีไปอยู่ไปอยู่กับใครกับขวางกันทั้งหมดนะอืมเพราะนั้นเองอยู่กับใครให้อยู่ได้ทั้งหมดเอถ้าเขาไม่ดีแล้วก็หลบเสียหนีซ ะ, ะหนีสัตว์สัต ส, สาราสิง หนีปล่อยผลนพนมันได้แต่หนีพาละชนหนีขนพานหนีให้สุดฟ้าเขาเขียวคนโบราณเขาบอกกันนะอหนีช้างวิ่งขึ้นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆช้างมืันทําอะไรไม่ได้ต้นไม้มันใหญ่จะชนยังไงไม่หักไม่โค่นต้นไม้ใหญ่ฮถ้าต้นไม้เล็กไม่ได้ล้เดี๋ยวมันชนต้นไม้คนง่ายๆฮอ ท่านี้เสือก็หนีให้สูงมันกระโดดขึ้นไปยังไงก็ไม่ถึงนะอท่านี้หมาก็ขึ้นไปจะผลหัวหมาเล้วนะจบแล้วมันจะทําอะไรไม่ได้แต่หนีพาละชนหนีขนพาเนี่ยให้หนีสุดฟ้าเขาเขียวอันนี้ให้ไกลที่สุดเออแปลว่าผิดภัยของมนุษย์นี่ร้ายกาจจะุบแล้วเ อ, อเป็นผิดภัยที่ร้ายแรงอภัยจากมนุษย์ แต่ถึงยังไงก็สู้ภัยกิเลสไม่ได้หรอกภัยกิเลสในใจของตัวเองเลยถึงจะไปมุดอยู่ในลูกมันก็ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะร้ <c oughs> ายแรงกว่าพิษภัยจากภายนอกอีกต่างหากอันนี้ให้เราดูนะถ้าไม่มีธรรมถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมคำสอนของพุทธะถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตัวนี้เราหาไม่เจอนะ ไม่เจอแน่ๆจึงจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดในโลกนะถ้าไม่ได้ศึกษาธรร ม, มะคําสอนของพระพุธทธเจ้าเข้ามาเป็นกระจกเงาแล้วก็มองหาไม่เจอเลยผ่านในใจของตนเองแต่ว่าเราใช้หลักธรรมคาสอนได้ศึกษาธรร ม, มะแล้วเราจะมองเห็นอมองเห็นตัวเองมองเห็นกิเลสตัวเองได้ะ อันละพอในตนนีนะ